บทที่ห้าสิบสองผู้ทรงใช้ตราธรรมจากเป็นตราแผ่นดินจอมจกักรพรรดิอโศกได้ทรงเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้งและกว้างขวางทรงดื่มดำในรถพระธรรมด้วยพระองค์เอง และทรงชักชวนให้ราษฎรของพระองค์ปฏิบัติธรรมทรงประจักษ์ชัดว่าพระพุทธศาสนานั้นมีคุณค่าแก่สังคมและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมากลน้นทรงใช้พระราชะโอรสและพระราชธิดาคือพระมหินทระและพระนางสังคมิตาออกผนวดเป็นภิกษุภิกษุณีได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งสองพระองค์ เมื่อถึงวาระทรงอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ทรงส่งพระโอรสธิดาทั้งสองไปประกาศพระพุทธศาสนาณลังกาทวีปคือเกาะลังกาทรงสละพระราชทรัพย์บำรุงพระพุทธศาสนาจำนวนนับไม่ได้ให้สร้างพระสถูปเจดีย์อันเป็นที่ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วชมพูทวีป นับเป็นจํานวนหมืน่นทรงให้มีการฉลองอย่างมโหารารเพื่อให้สมพระไทยที่ทรงเลื่อมใสยอย่างยิ่งยวดทรงปกครองไพร่ฟ้าโดยธรรมสเสด็จประพาสทั่วราชอาณาจักรเพื่อธรรมทรงตรหนักแน่ว่าธรรมจักรเท่านั้นที่จะอำนวยสุขสวัสดีแก่ประชาชนของพระองค์จึงทรงประกาศให้ใช้ตราธรรมจักรเป็นตราแผ่นดิน แต่ในที่สุดหลังจากครองราชมา37ปีกับอีกสปีก่อนราชาพิเศษรวมเป็น41ปีชีวิตของพระองค์ก็จวนจะถึงจุดอวสานปานประหนึ่งแสงสุรีเริ่มอ่อนรัศมีลงเมื่อจวนค่ำสนธยาเป็นนิมิตหมายว่าจะรับขอฟ้าลาโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วพระองค์เริ่มประชวนกระเาะกระแสกมาแต่ต้นปี แพทย์หลวงพยายามพยุงพระชนชีพไว้อย่างสามารถแต่ใครเล่าจะนวงเหนี่ยวสิ่งที่จะต้องเป็นมิให้เป็นสิ่งที่จะต้องจากมิให้จากดังนั้นในที่สุดทุกคนก็ต้องมองดูชีวิตเหมือนเจ้าของเรือนมองดูอาคารที่ถูกไฟไหม้สุดปัญญาจะดับคอยแต่จะให้มอดลงในระหว่างนั้น ทรงสนพระไทยในทางพระธรรมมากขึ้นทรงมณสิการถึงอภินาหะปัจเจเวกและมรณสติภาวนาจนมีพระไทยเยือกเย็นไม่หวั่นต่อมรณะภัยที่จะมาถึงประหนึ่งหมองูไม่ได้เกรงอสสารพิษที่คนทั่วไปเห็นแล้วสยองและในระหว่างนั้นอีกเหมือนกันพระมหาเถระแห่งกุกุตาราม และอโศการามก็ผลัดเปลี่ยนกันเข้าเฝ้าถวายธรรมโอสถอยู่เสมอมีอาทิว่าทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็หลีกเลี่ยงความตายไม่พ้นต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแล้วก็บ่ายคล้อยไปสู่การตกไม่มีการย้อนหลังใครจะน่วงเหนียวไว้ก็มิได้อีกประการหนึ่งเหมือนสายน้ำที่ลงจากหุบผา ายหน้าสู่ภูมิภาคอันเป็นส่วนต่ำเมื่อพิจารณาโดยละเอียดก็จะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายายหน้าสู่ความตายตั้งแต่คืนแรกที่ถือปฏิสนธิในคันมารดาวันคืนล่วงไปล่วงไปอายุของสัตว์ทั้งหลายก็สิ้นไปชีวิตปลอยดับไปบุคคลจะมีสมบัติมากเพียงใดหรือมียศมีบุญมีกาลังมีฤทธิ์มีปัญญามากเพียงใด โดยที่สุดแม้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มิอาจจะหลีกเลี่ยงมัจจุราชได้ต้องตายเสมอหน้ากันหมดมหาราชเอ่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าชีวิตนี้น้อยนักไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตาย แม้ใครจะอยู่ล่วงร้อยปีไปบ้างก็ต้องตายเพราะชลาอย่างแน่แท้ชีวิตที่ชื่อว่าน้อยนั้นเพราะเหตุสองอย่างคือเพราะชีวิตนี้ดำรงอยู่ชั่วครู่ชั่วคราวและเพราะมีความสุขน้อยทุกข์มากชีวิตดำรงอยู่เพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นท่านจึงกล่าวว่าในขณะจิตที่เป็นอดีตบุคคลมีชีวิตอยู่แล้ว ย่อมไม่มีชีวิตอยู่จากไม่มีชีวิตอยู่ในขณะจิต ท, ที่เป็นปัจจุบันบุคคลย่อมมีชีวิตอยู่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วจากไม่มีชีวิตอยู่ในขณะจิต ท, ที่เป็นอนาคตบุคคลจะมีชีวิตอยู่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วและจากไม่มีชีวิตอยู่อันหนึ่งท่านกล่าวว่าบุคคลไม่อาจกระโดดลงไปในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวในที่แห่งเดียว เป็นครั้งที่สองได้เพราะกระแสน้ำเดิมได้ไหลไปหมดแล้วที่ไหลผ่านมาอีกล้วนเป็นกระแสน้ำใหม่ทั้งสิ้นท่านจึงกล่าวว่าชีวิตอัตภาพและสุขทุกข์ทั้งมวลขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวขณะย่อมล่วงเลยไปโดยเร็วบุคคลจึงไม่อาจเห็นซ้ำในสิ่งที่ตนได้เห็นแล้วเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนแปลงท่านจึงกล่าวว่า บุคคลเห็นสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นอันเขาไม่เห็นแล้วสิ่งใดเขาเคยเห็นแล้วสิ่งนั้นเขาย่อมเห็นอีกไม่ได้มหาบ่อพิษจนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกถึงสิ่งที่ยึดมั่นว่าเป็นของเราแต่สิ่งที่บุคคลยึดมั่นหวงแหนทั้งหลายที่เที่ยงแท้ถาวร น, นั้นไม่มีชีวิตนี้มีความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจเป็นที่สุด บัณฑิตทราบดังนี้แล้วจึงไม่ควรอยู่ครองเรือนมหาบ่อพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อีกว่าสิ่งใดที่บุคคลยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราสิ่งนั้นย่อมถูกละไปเพราะความตายมาถึงเข้าบัณฑิตผู้เป็นพุทธมามกกเห็นความจริงดังนี้แล้วจึงไม่ควรน้อมใจไปเพื่อยึดถืออะไระไรว่าเป็นของเรา บุคคลผู้ยึดติดในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นของเราย่อมไม่อาจละความเศร้าโศกความรำพันและความตรนีได้เพราะฉะนั้นมุนีทั้งหลายผู้เห็นทำอันกเกษมจึงละสิ่งที่บุคคลหวงแหนทั้งปวงแล้วไปมุนีไม่ติดในสิ่งทั้งปวงไม่ทำสัตว์และสังขารให้เป็นที่รักเป็นที่ชงังเมื่อเป็นดังนี้ ความคล่ําครวนและความตรหนีย่อมไม่ติดอยู่ในมุนีนั้นเหมือนน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวผู้มีปัญญาย่อมไม่เห็นหรือรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ฟังเป็นสิ่งสำคัญถือเป็นเพียงเรื่องผ่านย่อมไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์โดยมักอื่นนอกจากมักมีองแปดผู้มีปัญญาเช่นนั้นย่อมไม่กาหนัดและไม่คลายกาหนัดมหาบอพิษ ปุตุชนทั้งปวงชื่อว่าเป็นผู้กำนัดกลยานะปุตุชนไปถึงพระเสขะเจ็ดจำพวกชื่อว่าเป็นผู้คลายกำนัดส่วนพระอรหันต์เป็นผู้ไม่กำนัดและไม่คลายกำนัดเพราะความกำนัดใดที่พึงคลายได้ท่านได้คลายหมดแล้วธรรมกถาปลอบประโลมพระทัยของพระมหาเทระแม้จะค่อนข้างสูงมีอัฐาคัมเพียรภาพ แต่ไม่ยากเกินไม่ยากเกินไปสำหรับธรรมิกราชเช่นพระเจ้าอาโศกเพราะพระองค์ทรงสนพระทัยในธรรมมาเป็นเวลานานทรงขวนขวายศึกษาและปฏิบัติอยู่อย่างสม่าเสมอคำสอนชนิดนี้จึงมีค่า ย, ยิ่งแก่พระองค์เสมือนบุคคลมอบพระตาพรอันมีค่าล้ําแก่ขัติยานีผู้ถือกำเนิดภายใต้สเสวตฉตดเชื่อได้ว่า วาราพรนั้นจะสำเร็จเป็นประโยชน์โดยประสงค์เมื่อทรงแน่พระไทยว่าพระชนของพระองค์จะถึงความแตกดับในไม่ช้าแล้วก็รับสั่งให้พระโอรส ธ, ธิดาทั้งหมดซึ่งมีอยู่ประมาณเจดพระองค์และพระมเหสีทั้งหมดเข้าเฝ้าทรงปรารถนาถึงสังขารและทาว่าขอให้พระมเหสีและพระโอรส ธ, ธิดาทุกพระองค์ รับทราบตามดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วดำรงอยู่ชั่วครู่ชั่วยามแล้วดับไปตามปกติวิสัยแห่งสังขาร น, นั้นเมื่อเป็นดังนี้ ทางที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งขอให้ทุกคนยึดธรรมเป็นแนวทางดําเนินชีวิตจะปลอดภัยทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าทางใดที่เราได้เดินมาในสมัยต้นแห่งการครองราชทางนั้นไม่ควรดําเนินตามเป็นทางผิดส่วนทางใดเราได้ดําเนินมาหลังจากได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วทางนั้นเป็นทางชอบ ควรดำเนินตามพระมเหสีและพระราชะโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์ทรงตกอยู่ในภาวะเศร้าสลดประหนึ่งหมู่วิหกได้มองเห็นเพลิงไหม้ปรึกษาที่ตนเคยอาศายัยจอมจั ก, กระพัด ท, ทรงหัวละลึกถึงชโลทารารับสั่งให้อภัยโทษแก่เธอปล่อยเธอให้เป็นอิสระและให้นำมาเฝ้าตัดกับชโลทาราว่า ชโลทาราการพบของเรามีความหมายถึงการจากเสียแทบทุกครั้งไปการพบกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราจะต้องจากท่านไปก่อนชีวิตของท่านเองก็คงเหลืออยู่ไม่นานปีนักหากท่านจะอยู่หนาตำหนักน้อยต่อไปก็อยู่เถิดเราจะขอร้องฝากฝังไว้กับศรีคารินและชารินีให้ช่วยดูแลท่านมิให้เดือดร้อน หากท่านประสงค์จะจากไปก็แล้วแต่ใจสมัครโทษอันใดหากเคยมีต่อกันก็ขอให้อโหสิโทษนั้นแก่การเสียชโลธราหมอบลงใกล้พระบาทแล้วทูลว่ามหาราชเป็นเวลานานที่หม่อมชันอยู่ณนะตำหนักน้อยแต่หม่อมชันก็มีความสุขสบายดีบัดนี้อายุของหม่อมชันก็ย่างเข้าสู่วัยชาราแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว นอกจากความสงบไปวันวันและมีอาหารพอประทังชีพหากทรงกรุณาโปรดหม่อมชั้นก็ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอยู่น้ำตำหนักน้อยดังเดิมเกี่ยวกับโทษนั้นหม่อมชั้นอายุมากขึ้นรู้จักจิตใจของตนเองและคนอื่นมากขึ้นหม่อมชั้นจึงแน่ใจว่าในเรื่องที่ล่วงมาแล้วนั้นหม่อมชั้นเป็นผู้ผิดผิดอย่างที่ไม่น่าให้อภยัย ให้ชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเวลานี้การที่หม่อมชั้นมีชีวิตอยู่ได้โดยสงบก็เพราะพระมหากรุณาที่คุณแห่งธรรมิการาชเช่นพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐดังนั้นหม่อมชั้นขอถวายบังคมพระยุคลบาทขอได้โปรดพระราชทานอภัยโทษแก่หม่อมชั้นผู้รู้เท่าไม่ถึงการด้วยพระราชา ท, ทรงแย้มระโอดนิดหนึง่ง รพักสดชื่นขึ้นเล็กน้อยชโลธราเอยพระราชาตรัสพระกระแสเสียงนุ่มนวลเราปลื้มยิ่งนักแล้วที่ได้ฟังท่านกล่าวเช่นนี้มทุรพ์ของท่านเป็นพรและรางวัลอันประเสริฐสำหรับเราจะได้นำติดตัวไปสู่สำปรายภพท่านทำให้เราหลับตาตาอย่างสนิทชโลธราหากความรู้สึกของท่านเมื่อครั้งกระโน้นเหมือนเวลานี้ และเราได้เลื่อมใสายในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นทางแห่งความสุขอันยั่งยืนเหมือนปัจจุบันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราทั้งสองคงไม่เกิดขึ้นเป็นแน่แท้มนุษย์เราส่วนใหญ่ยังตกอยู่ในห้วงแห่งอวิชชาจึงไม่อาจบังคับวิถีชีวิตตามประสงค์ได้สิ่งใดที่เกิดขึ้นก็มักบันดาลให้เกิดเหมือนมีอะไรชักจูงชักนําให้จิตใจเห็นดีเห็นงาม ในการกระทำและการพูดนั้นแลแล้วก็ต้องเสียใจภายหลังกันมากมายแต่ในที่สุดทุกคนก็ต้องได้รับสิ่งหนึ่งเหมือนกันหมดสิ่งนั้นอันคนทำไม่อยากได้คนซื้อไม่อยากได้คนใช้ไม่รู้เรื่องหรัดแล้วหลับพระเนตรพริ้มอยู่หลายคนในที่เฝ้าเข้าใจว่าพระราชาทรงเพ้อ ไม่อาจควบคุมสติได้ในมรณะสมัยจนกระทั่งพระองค์ลืมพระเนตรขึ้นตรัสต่อไปว่าทุกคนที่ตายอย่างปกติจะต้องได้รับสิ่งนี้คนทำไม่อยากได้คนซื้อไม่อยากใช้คนใช้ไม่รู้เรื่องมันคือหีบศพมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้องทนให้กงล้ออันทารุณของวัตตะหมุนทับไปชาติแล้วชาติเล่า พบแล้วพบเล่าไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าเขาจะหักกงล้ออันตารุนของวัตตะคือกิเลส ท, ทั้งหลายเสียได้รัจจบทรงผ่อนพระภาษาสะายาว